ว่าตอนอาศัยวิราคะตามเห็นความจางคลายจะแยกแยะออกได้ อันนี้มันต้องมันต้องอาศัยความไวและต้องอาศัยสมาธิที่ตั้งมันคือปกติเนี่ยจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บจางคลายดับไปเกาะอารมณ์ใหม่แล้วตอนไหนตอนมันเพลินไปแล้ว 10 นาทีอย่างหรือบางคน เราเพลินกับอารมณ์จนกระทั่งเราต้องละความเพลินในๆๆๆจนกระทั่งกลับพริบตาเดียวรู้จักการปุ๊บกับพริบตา อาศัยวิเวกคือจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิราคะจางๆเลยโยมถึงๆดับไปไปมันเร็วมากนะอ่าจางคลายและดับอาตมาจึงบอกว่าโยมลองหยุดภาพตรงนี้สิคลายแล้วก็ รูปที่เกาะอยู่ก็ดับไปด้วยวิญญาณก็ดับว่างๆไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูป คิดพุทธิลชาวัง答laisให้ว่าทาระ ทาระราคาในรูปภาทธิได้ Chi Nomciab Desiremental Controls ในรูปภาทธิ prisam อเหลือว่าเขามาลับ��릴pee taki nuns嗎? ถเป็นเป็น史fferตface turi t expenses om balegorosolaria sumo m bea sarags to the power of a diet data to raw salud per aontos rec � m ving k tar Travis u b b g DE tomorrow posibleem suda fung josa g esa� dain la g di se il ng laad at иск b ba walokkommen in the legorosong t�º dп gu doo was vigam in a dream u ale omulā lima turi quot b b alp แล้วพอจิตหลุดไปรับรู้เวทนาสัญญาสังขารโยมริบวางวางวางวางตลอดเลยกลับมาอยู่กับลมได้เท่ากับโยมวาง 3 ขันธ์นี้ได้โดยอัตโนมัติใช่มั้ยนั่นแสดงว่าวางความพอใจในเมื่อวางความพอใจได้แล้ว <c oughs> ให้โยมก็เรียกโยมวางความพอในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าวางได้แล้วการเกิดของรูปนามก็ไม่มีพุทธเจ้าค่อยๆอธิบายอย่างนี้บอกภิกษุหลายถ้าละค่าในรูปธาตุความพอในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุในในอารมณ์ ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณมันเคยตั้งในๆไม่ได้การปรากฏของ วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูก การเกิดมันไม่มีในจิตเลยถามว่าทําไมจะไม่รู้ใช่มั้ยโยมก็ต้องรู้